ไม่วันนี้เอาต้องคืนเนี่ยฮะคิดถึงเกมอ่ะเล่นเกมติดเกมไม่ใช่ไม่ฉลาดหรอกเล่นเกมเขาเล่นให้ฉลาดเขาเล่นเกมแล้วยังติดเกมยังยังไม่ฉลาด คนเรามันหลงความคิดของตัวเองคิดขาดคิดเดาผิดผิดคิดผิดหลงผิดหลงผิดยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดแล้วก็ถือผิดถือผิดแต่สําคัญว่าถือถูกนี่สาคัญนี่ย ถือผิดแต่สำคัญว่าถือถูกก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ใครครวญไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจไม่ได้ดูผลที่ปรากฏขึ้นที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ไม่รู้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ไม่รู้ว่าแต่ทำทำไปวันๆเป็นอาชินกรรมเป็นอาชินวัตรสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขสุดิบๆอบอยู่นั่นแหละแท้ที่จริงการภาวนาเนี่ยมันเป็นการตั้งใจ ทำให้สิ่งเหล่านี้มันตื้นมันเขินมาที่หัวใจของเราทําไมมันถึงไม่ตื้นไม่เขินถ้าตั้ง อ, อกตั้งใจทําทําไมมันจะไม่ตื้นไม่เขินมันพอจะทําให้หัวใจเรามองง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายเห็นถูกเข้าใจถูกสําคัญถูกยึดถูกยึดถูกแล้วก็ทําถูก ผลมันก็เสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเป็นบุญเป็นบา ร, รมีเสริมให้กับตัวเองมันพอจะมองเห็นอยู่แต่ถ้าหากสักธรรมทาไม่ได้น้ไม่ได้คิดไม่ได้ใครครวอีกไม่รู้ทำผิดหรือทมถูกหรือไม่ทาก็ไม่รู้แหละบางทีก็ไม่ทาไม่ทาดือด้อเนี่ยแหละ เราะไม่ชอบใจไม่จิตใจไม่สะดวกในไม่สะดวกสบายในการที่จะทำแค่กำหนดจิตคึกขมาที่จิตของตัวเองยืนอยู่ตรงไหนเดินตรงไหนนั่งตรงไหนนอนตรงไหนแค่น้ำกระถึงและอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในท่าทีที่นอนพักผ่อนก็กำกับดูแลอยู่นั่นแหละ ไม่ปล่อยมันอ่อนมันเพลียมันหมดแรงมันก็นหลับม้อยไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวจออยู่นั่นอีกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นั่นตลอดเหมือนอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนแร ก, แรก ได้ความเพียรได้ความพยายามได้ความอุตสาหได้ความปดได้ความทนได้ความแหลมได้ความคมได้ภูมิสติได้ภูมิปัญญาอยู่ในนั้นหมดความเพียรเอาที่ไหนความเพียรความเพียรเราจะรู้จักว่าเราจะทำเราทำได้ตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นแหละ ในเมื่อเราเอาตรงนั้นได้อย่างอื่นข้างนอกเนี่ยอย่างอื่นข้างนอกเนี่ยมันก็ตามข้างในนั่นแหละแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเนี่ยปล่อยใจล่องลอยไม่มีแล้วไม่ได้อะไรแหละขยันอยู่ข ย, นยัขยนออกนอกนอกรูนอกถางนอกอะไรไปยังไงกัไม่รู้แบบนั้นเราเขาไม่เรียกว่าขยานันขยันไม่ถูกทาง ไม่เป็นการฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาวตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องพัฒนาตัวเองไม่รู้จะมีอะไรเป็นรายได้เป็นรายเพิ่มไม่มีวันนี้ก็ล่วงไปพรุ่งนี้กิจก็จะล่วงไปก็อยู่แค่นั้นเองเท่านั้นเองโอกาสที่จะใคร้ครวนว่าเราจะขยับอีกมันก็ใคร้ครวนไม่ได้ ติดสบายอยู่แค่นั้นแหละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่สบายความเห็นแก่สบายความเห็นแก่ตัวใครทําอะไรช่างมันเราไม่สนสังคมเราเป็นเป็นสังคมหมูสังคมพวกต้องดูแลกันต้องช่วยเหลือกัน ต้องดูกันต้องสงวนต้องรักษาต้องดูแลบ้านเราครอบครัวเราวัดมันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เหมือนกับบ้านเรานะั่นแหละถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ต้องดูแลที่อยู่ที่กินความเป็นอยู่ความความเป็นอยู่ ระบาดปังหน้าที่การากงานอะไรเราก็ต้องช่วยดูแลกันต้องช่วยเหลือกันมองกันดูกันตรงกันข้ามต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแล้วก็ทอดทิ้งหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไม่มีหาความพร้อมเพียงสามัคคีก็ไม่มีผลปรากฏเป็นกอบเป็นกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นพวกก็ไม่มี มันเป็นเครื่องฟ้องอยู่มันเป็นเรื่องฟ้องมันเป็นเครื่องฟ้องฟ้องว่าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวไม่ต้องพูดถึงละความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำอะไรได้หมดจะว่าเอารักก็เอาจะจะจะว่าเอาเปรียบก็เอา แต่ว่าตัวใครตัวมันก็เอาแต่ ว, ว่าส่วนรวมส่วนกลางทอดทรทอดทิ้งนี่มันไปได้เลยมันไปไม่ได้ดอกเราอยู่คนเดียวหรือจะไปอยู่หลายคนขมันบ้านครอบครัวเล็กบ้านครอบครัวใหญ่นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องดูแลหมู่เพื่อน ก็ต้องดูแลกลุ่มก้อนในครอบครัวของเราในสังคมของเราสิ่งที่สำคัญคือความสามัคคีความเคารพยำเกรงความเกรงอกเกรงใจความช่วยเหลือความเห็นใจความยาเกรงนี่แหละสำคัญ ถ้าหากเราไม่ไม่เคารพกันเราไม่ยำเกรงกันก็ต่างคนต่างอยู่<ม>ขึ้นชื่อว่าความเห็นแก่ตัวอะไต่างคนต่างอยูย่โอกาสที่จะนึกน้อมโดยทําไม่มีมีจะนึกตัวใครตัวมันเอาลัดเอาเปรียบส่วนกลางก็ไปไม่รอด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสักอย่างก็ไม่มีนี่เป็นสังคมที่ล่าหลังแหละไปไม่ถึงไหนต้องจอดในที่สุดไปจากไหนมันไปจากหัวใจนี่แหละหัวใจที่มีความคับแคบติบตันไม่มีปัญญาโดยชอบไม่มีปัญญาโดยทำไม่มีศีลไม่มีธรรม ไม่หวังความก้าวหน้าของตัวเองไม่หวังความผาสุก ข, ของกลุ่มของก้อนของหมู่ของคณะสังคมไหนเป็นยังงั้นสังคมนั้นก็แย่จอดจอดแน่ๆไปไม่รอดสังคมแบบนั้นจะต้องถูกปฏิวัติปรับเปลี่ยน ไม่ไม่รอดต้องปฏิวัติต้องปรับต้องเปลี่ยนดูแต่สังคมเมืองจีนนะสมัยต่กนะ่อนต่างคนต่างแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเจ้าหลายๆายเจ้ายกตีกันไปยกตีกันมายกตีกันมายกตีกันไป ประชาชนก็เพิ่มมากมูลภูนทวีอันตรากินกระอดอยาขาดแคลนต้องไปถึงคราวปฏิวัติใหญ่เห็นไหมปฏิวัติใหญ่ที่การปฏิวัติใหญ่ก็จะเรื่อฟื้นขึ้นมาก็จะปรับปรุงให้คนเห็นแก่ส่วนกลางออต้องเอาระบบ อ, อะไรไปใช่เห็นไหม กปฏิวัติกันเป็นคอมมินิทนะคอมมินิทใครมีอำนาจครับต้องเอาอยางงี้ต้องเอาอยางงี้คนมีอำนาจทาวางอำนาจโดยชอบเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อกลุ่มเพื่อก้อนมันก็เป็นธรรมแต่ว่าด้วยเหตุที่ไม่ชอบก็ต้องมีการปราบกัน ตายกันมากมายเยอะแยะโดยชอบโดยความเป็นธรรมแท้ๆธรรมมาธิปไตยเนี่ยแหละเป็นธรรมแท้ๆมีปัญญามีสติมีปัญญามองออกรู้เห็นเข้าใจเออเหมือนอย่างในหลวงท่นานว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา พัฒนาเราพัฒนาเขาพัฒนาที่อยู่ส่วนตัวทุกพัฒนาที่อยู่ส่วนรวมพัฒนากลุ่มก้อนทั้งหมดมีหัวใจเป็นนักพัฒนานไปได้อยู่ด้วยกันด้ว ย, วยชอบด้วยความเป็นธรรมอยู่ด้วยความด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความชอบธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันหัวใจเป็นธรรม มีความเคารพ น, นอบน้อมมีความเคารพยำเกรงมีความสามัคคีปรองดองมีความระแวดระวังช่วยเหลือกันในสิ่งที่จะพึงเสียหายสัง เ, เกตสังการดูความบกพร่องผพ้่ีทําำให้เต็มจะเสริมให้เต็มจะบูรณะให้เต็ม บบนั้นตัวเองก็อยู่เย็นเป็นสุขมูคณะสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขดูแต่สังคมที่พระพุ่ธเจ้าท่านอยู่สมัยยังทรงฆ์พชชนอยู่เห็นไหมคณะสงฆ์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นท่านอยู่เปนสะดวกสบายไม่มีปัญหาอะไรเราต่างคนต้องมีเครื่องอยู่โดยชอบชอบด้วยธรรมโดยธรรม สิ่งพาชั่วร้ายในหัวใจเอาออกซะเป็นส่วนมากเหลือก็เหลือก็เหลือบ้างผู้ฝึกผู้หัดบารมีอินทรียังอ่อนฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงตามก็เป็นส่วนน้อยไม่เดือดร้อนอยู่กันได้อย่างสะดวกสบายฟังแต่ว่าพระเสียระยะเมตรไตรจะเมาบัด คนในยุคนั้นเป็นคนดีมาเกิดฟังดูสิปกครองกันโดยศีลด้วยธรรมคนมีอายุยืนคนมีความสุขมีธรรมจิตใจอ่อนน้อมข้าหากันไม่ต้องยื้อแย่งแข่ ง, ข, งขันกันไม่ต้องเอารับเอารัดเอาเปรียบกันมีปัญญาชอบโดยธรรมเพราะพอนนี้ผ่านธรรมมาแล้วมีบุญเกิดทันสมัย พระเสียญาเมตไตรที่ท่านพูดเอาไว้ถึงคราวท่านมาตรัดก็มีโอกาสที่จะได้มันรลุธรรมได้ไง่ายๆเพราะเหมือนคนที่ฝึกฝนอบรมตนมาแล้วคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนอบรมตนเพียงพอเกรดไม่ถึงคะแนนไม่พอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไ ม, ไม่ไม่ถึงเนี่ยบุญ ห้าสิบเปอร์เ็นตก็ไม่ถึงบารมีไม่ถึงไม่มีโอกาสที่จะเกิดทันเกิดทันสมัยของท่านพอถึงคราวท่านม า, าบัตรเราไม่รู้ไปจมอยู่ในขุมไหนก็นไม่รู้แล้วนี่สิสําคัญเนี่ยภพชาติมันไม่ใช่มันจะเท่าเดิมเหมือนเดิมพอะเราอยู่สะดวกสบายถ้าเราลืมนะลืมตัวเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะได้ดีมั่นคงอยู่อย่างนี้นะ มันจะตกไปน้อยหน้าไปข้างหน้านะขอให้ทุกคนเห็นประโยชน์ตนเป็นหนึ่งตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนโดยเฉพาะอย่างพวกเราเป็นพระเป็นเนเนี่ย อ, อบาสพกอบาสิการักษาศีลเพื่อแผ่เชื้อจานให้ทาน ตั้งใจรักษาศีลแล้วตั้งใจภาวนาจับรวมระมัดระวังกิริยากายวาจาของตัวเองยพยายามพยายามจาระขัดเกลว์เพิ่มพูนทวีพูนคูณปัญญาให้กับหัวใจของตัวเองพิจารณาเข้าหลักพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงหลักอรยิยสัจจะธรรม หลักมหาสติปัฏฐานหลักสัจธรรมหลักปฏิจจสมุปบาทหลักอริยมรรคมีองค์แปดอะไรก็ใช่ทั้งหมดเนี่ยขอให้เราตั้งใจทําแค่เราตั้งใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาก็รวมอยู่ในนั้นความเพียรก็รวมอยู่ในนั้นความอดทนก็รวมอยู่ในนั้น สติสัมปชัญญะฮิริโอตปะก็รวมอยู่ในนั้นอันติโสระจะรวมอยู่ในนั้นบุญยาบารมีสิริสมบัติทั้งหลายทั้งปวงรวมลงอยู่ในนั้นบุญยาบารมีพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเต็มตื่นเขินขึ้นอย่างทั่วเร็วก็อยู่ในนั้นรวมอยู่ในที่เดียวกันหมดนั่นแหละ อนุญาตสัตว์สี่ก็อยู่ในนั้นปุทโธปุทโธปุทโธพุทโธนั่นน่ะคือมักจิตสงบขึ้นมาก็ได้ผลเป็นนิโรธความสงบของจิตมันพร้อมพร้อมที่จะดูเพื่อให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยทำลายความหลงของตัวเองเราอยู่ด้วยความดุมหลงอยู่ด้วยความเพลินอยู่ด้วยความหลงความเพลินกับความหลง ความหลงมันก็ดึงความเพลินความเพลินมันก็ดึงความหลงความเพลินความหลงมันก็ดึงความโง่ความไม่ฉลาดดึงความพออกพอใจวิ่งตามลักษณะกิริยาการที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยยิตปล่อยใจเราทำเพื่อทำลายสิ่งเหล่านั้น รวมลงอยู่ในนั้นหมดจริงๆนะมหาเศรตฐประธานสี่ก็รวมอยู่ในนั้นหมดแค่พุทธโธเนะี่ยระยัตว์สี่ก็รวมอยู่ในนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุก็ดูที่นั่งอดนั่งทนอยู่นั้นนะ่ะทุกพยายามไม่สมุทัยไว้สมุทัยมันมาเบียดเบียนจิตของตัวเองเพื่อจะดึงจิตของเราไปใช้นั่น ย้อนไปดูมันย้อนบรรลุจิตนี่แหละพุทโธพุทโธอยู่เฉพาะจิตนี่แหละมันเข้ามาแย่งจิตเราไปไม่ได้เราก็หยุ่กับบทธรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยแบบอย่างที่เราว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนเนื้อหาของพุทโธที่แท้จริงเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในหัวใจของเรา จิตของเราตื่นจิตของเราเบิกบานจิตของเราสงบจิตของเราแนบแน่นมันคงนี่เขาเรียกว่าพุโทโธโดยเนื้อหาพุโทโธโดยอัดโดยธรรมแต่มันก็มาจากแบบอย่างนั่นแหละแบบอย่างที่เราอาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่แบบอย่างทําไปทําไปจิตมันสงบอยู่ก็ น, นั้นจริงๆนั่น เนื้อหามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะอะไรเพราะเรายื้อแย่งออกจากสมุทยัยสมุทัยคือตัวจิตมันดีดมันดิด้นมันอยากแสดงความอยากตามอำนาจตามฤทธิ์ตามเดชขอามันเราไม่รู้เรามีแต่จะตามใจมันใต่ใต้อยต้อยต้ ย, ตยไม่เคยฝ่าฟืนล่ะอมไม่เคยฝ่าฟืนมันน่ะนั่นแหะสมุทยัยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามมันน่ยทุก ทับโถมหัวใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามมันจมไปตามมันจิตเราสงบได้ในโรดจิตสงบก็เป็นในโรดความทุกข์เหล่านั้นโผล่ขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่เราประโรคความเพียรอยู่ในนั้นฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทีรวมอยู่ในนั้นฮิริโอตปะรวมอยู่ในนั้นขันติโสระจะต้องอดต้อ ง, องทน พร้อมพร้อมอยู่ในนั้นสติปัญญาความเพียรพร้อมอยู่ในนั้นนั่นรวมยอดของคุณงามความดีอยู่ตรงนั้นรวมยอดของสิริสมบัติรวมลงอยู่ตรงนั้นวัตถุสมบัติอริยะสมบัติรวมลงอยู่ในนั้นตรงนั้นเราจะเอาอะไรอีกทำไมเราไม่เห็นประโยชน์ทำไมเราไม่เห็นคุณค่า นอกจากเพลินหลงแล้วก็เพลินแล้วก็หลงหลงบวกเพลินเพลินบวกหลงหลงบวกเพลินเพลินบวกหลงบวกโง่ก็ไปอีกบวกอวิชชาบวกตัณหาเข้าไปอีกบวกอุปาทานยึดเอายึดเอาเข้าไปอีกบวกกองทุกเพิ่มพูนทวีคูณกองทุกเข้าไปอีกไม่จบไม่สิ้นนั่นพุทธิจารย์ฉลาดนะ วิธีการที่เราว่าทั้งหมดนั่นแหะวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราเข้าถึงความสุขทางล้อืแต่ไม่ใช่ปล่อยให้ไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ใช่เพลินไปกับนันทิราคะนันทิคือความเพลินนั่นแหละพอใจความเพลินความเพลินนี้เราก็ดูเราดูเพื่อให้รู้ให้เห็นความเพลิน เมารู้เมื่อเห็นมันก็ปล่อยเข้ามันเมารู้เมื่อเห็นมันก็ปล่อยเข้ามันเมื่อรู้เมื่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยเข้ามันมันก็ปล่อยเข้ามัน <S <S สิ่งชั่วร้ายในหัวใจเหล่านี้ทําให้จิตใจของเราเศร้า ห, หมองเราตั้งใจจะปล่อยเหมือนเราหยิบวัต ถ, ถุแล้วเราก็ปล่อยเหมือนกับในช่างจับคอนแล้วก็ปล่อยคอนมันไม่เหมือนแบบนั้น เหมือนหยิบสิ่งของหยิบแล้วก็ปล่อยมันไม่เหมือนแบบนั้นคำว่าปล่อยหมายความต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันเมื่อรู้แล้วไม่ต้องตั้งใจปล่อยมันปล่อยเขาเองตั้งใจปล่อยแต่ไม่เห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยของมันมันจะเอาอะไรมาปล่อยอุปาทานเต็มแปร่หมด สำคัญมันหมายที่ว่าเราปล่อยเราปล่อยเราปล่อยไปสำคัญไปนั่งสำคัญเอาสิทุกข์ที่เป็นจะตาย่ะไปว่าสุกน้อสุกนอสุกนอสุกนอสุกน้ อ, น อ, น อ, นอหรือไปนั่งรวยนอรวยน้อรวยนอให้เงินทองหลั่งมาไหลามานะ่ะไปว่าเอา ส, สิสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากเหตุตัางหาไม่มีเหตุสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้ สำคัญว่าเราต้องพยายามสอดส่องดูแลดูเหตุพิจารณาแก้ไขต้นเหตุสิอื่นไม่สำคัญในหัวใจของเรานียสำคัญหาความฉลาดให้กับจิตของตัวเองสำคัญที่สุดเราทำดีทำถูกของเรานะ่ะใครจะว่ายัางไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ขาดทุนศูนดอกความเพียรพยายาม ขโมยทาความผ่าความเพียนไม่จงเป็นจะต้องอวดต้องอ้างไม่จำเป็นจะต้องประกาศโฆษณาให้ใครเห็นใช้ความพยายามใช้ชั่วโมงให้มากใช้สาวพยายามให้มากใช้ความเพียนให้มากทำให้มากเจริญให้มากนาฬิกาตัวนั้ น, ใ, น, รร น, นใครเอาออกเอาออกไปแล้ว ไม่เห็นเอาไปแทนมันนาฬิกาเต็มวันไม่อดน่ะนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ee, อยู่นี่นี่มันทานมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันเสีย จนปัี้บอกทานก็อนน้อยๆเท่าก้อยจะ <c oughs> <c oughs> มีใครสอนเราดอกถ้าเราไม่สอนเราคนอื่นเป็นเพียงปรปัจจายเท่านั้นแหละดีก็เรายึดเอาถือเอาสำคัญมั่นหมายเอา เราไปดูต้นตระกูลของหวังหลีเนี่ยเราไปดูหนังสือเขาเต้นตระกูลเขาเนี่นายฮุนกนายฮุกเป็นต้นตระกูลเนี่ยมาจากมาจากรับจ้างหาปลารับจ้างเป็นจับกังกินข้าวเนี่ยกุ้งตัวหนึง่ง กุ้งตัวหนึ่งเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยเอาไปทู้ยทุทุทุ้กับข้าวพอให้ได้กลิ่นนะกินกินแต่ข้าวนะคาต่อไปก็ทุ้ยทุทุทุทุ้กินแต่ข้าวนู้นคําสุดท้ายเนี่ยถึงจะได้กินกุ้งหมดทั้งตัวเราก็ไม่รู้นะกุ้งตัวเล็กหรือตัวใหญ่เก็บอกว่ากุ้งตัวหนึ่งเขากินแค่นั้นแหละ เป็นจับกังรับจ้างขนของขึ้นเรือลงเรือรับจ้างหาปลารายเก็บรายเหลือมากกว่ารายจ่ายเพิ่มพูนทวีคูณมันไม่นา น, ม, นมันก็รวยได้มีเรือเล็กๆออกหาปลาเองได้ มีทุนมีรอนพอมีสาเภาได้อ่ามีสมาเภาเอาสินค้าตรงนี้ไปส่งตรงนั้นเอาสินค้าตรงนั้นไปส่งตรงนี้ห น, หนักๆเข้ามาถึงเมืองไทยมืเมืองจีนเมืองฮ่องกงเนี่ยมันอดมันอยากคนเข้าไปจากเมืองไทยแหละไปลงฮ่องกงคนเข้าจากเมืองไทยไปลงจีน มีเรือเป็นหลา ย, ลายสิบลาขยายกิจการงานเข้าเวลาไปติดต่อการงานนะขาลายฟังตอนแรกๆเนี่ยเวลาไปติดต่อการงานเนี่ยชุดหรูๆเนีย่ยเสื้อเนี่ยมีตัวเดียวเวลาเราไปติดต่อเราเนี่ยใส่ไปเวลาเพื่อนไปติดต่องานกนัเพื่อนยืมเสื้อตัวนี้แหละใส่ไป นี่เขากินทุกกินยากทุกยากลำบากขนาดนี้แหละุขาอุตสาห์ อ, อดทนจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นต้นต่อเป็นตระกูลวังหลีเนี่ยเมืองจีนเนี่ยนูน่นมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชการที่สองที่สามคาสัาเพาอะตะกอนยุคมายุคหลังๆมีเรือกลไฟ ก็พยายามหาหาจนได้เนี่ยเรือคนไฟเรือเครื่องเรือเครื่องจักรมันก็มาทุกได้ง่ายสมัยแต่ก่อนเมืองจีนอดอยากอดตายก็มีได้ยินเขาล่าฟังใครที่มาบนพื้นแผ่นดินไทยมาเห็นแล้วก็โอ้ โชคดีมหาศาลแหละไม่อดไม่อยากแล้วมาเห็นเอไม่อดไม่อยากแล้วคือเมืองจีนคนมันเยอะส่วนมากมาจากชาวนานนั่นแหละแม้แต่ตระกูลนี้ก็มาจากชาวนานส่วนมากชาวน า, นวน า, า, วนาอาศัยความมุสาพยายามขยันมันเพียรต้นต่อตระกูลของเขาเนี่ย ืหน่อต่อเนื่องมานี่ขยันเรียนเรียนเรียนเรีย น, ยนจนเป็นนายอำเภอได้เป็นนายอำเภอได้ทำงานราชการได้รับงานราชการอาศัยความขยันอาศัยความเพียรไปดูเลียวฝา น, นั่นนะเลียวฝานที่เคยม เ, เอาไปฟังอ่ะเลียวฝา น, นั้นจนเป็นราชการ ไม่เชื่อโชคชะตาะมีหมอมาทายโชคชะตาของตัวเองว่าในชีวิตนี่จะเป็นราชการไม่ได้แล้วก็จะไม่มีบุตรนั้นเพนิ่งก็สร้างคุณงามความดีวันละร้อยครั้งวันละพันสร้างคุณงามความดีอ้าวร้อยเท่านั้นครั้งอธิษฐานขอให้ได้นั้น ทำความดีเท่านี้เท่านี้ครั้งพันครั้งขอให้ได้อ น, นันตนะครับอธิษฐานขอให้ได้ลูกได้ลูกจนจนได้ลได้ลูกพี่ชายคนหนึ่งนะขอให้ได้เป็นนายอำเภอข้าพเจ้าจะทําความดีเท่านั้นครั้งหมื่นครั้งวั น, ว, นวันหนึ่งเขไปทําแต่ความดี ในเมื่อตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้กับตัวเองอย่างนี้มันก็ใคร่ครวญว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีมันต้องรู้จักในคนเราในเมื่อมันมีหลักในหัวใจอย่างนี้มันก็วางแผนเอาไว้อะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีฮิริมีโอตปะมันต้องได้ระแวด ร, ระวังไม่ได้ทําอะไรตามใจชอบอันนี้เหลือข่าวดีช่วยเหลือคนแจกน้ําเก็บขยะปัดกวาดทําความสะอาด ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมส่วนย่อยใกล้ชิดตัวเราสังคมส่วนใหญ่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสามารถทาความดีได้ทั้งนั้นแหละยิ่งเป็นนายเพอไปแล้วเนี่ยก็โอ้ยยิ่งทําบุญสมมติต้องการทําบุญหมื่นครั้งเนี่ย ก็แป๊บเดีย่ยมก็ได้แล้วขออธิษฐานขอได้สิท่านัอธิษฐานขอได้สิ่งนี้นธน อ, นอธิษฐานเอาอ่ะอืมจากหมอดูเขามาดูดวงจะตาให้ว่าจะไม่มีบุตรเป็นคนอาภัพไม่มีบุตรแต่เพิ่นตั้งความปรารถนาขอบุตรขอขปยาได้บุตรขพยาจะทําความดีสามพันครั้ง สักหมืนครั้งพอเขาไปเ้าสอบในอำเภอได้เขาจะจะทำความดีท่านั้นพันครั้งท่านี้พันครั้งเท่านั้นหมื่นครั้งโนเราดูที่เขตั้งความปรารถนาขนาดนั้นมันจะไปไหนตั้งความอุตสาพยายามขนาดนั้น คนไรคนไทยพื้นเพด่างเดิมเราเราอยู่สะดวกสบายข้าวในน้ำในน้า ม, มีปลาในน้ำ ม, มีข้าวสะดวกสบาย mm. แล้วก็อชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่กระตือรือร้อนนิสัยเฉื่อยชาไม่เหมือนคนญี่ปุ่นไม่เหมือนเวียดนามไม่เหมือนคนจีน เพราะพวกนั้นก็ทุกยากเขาลําบากขกันดานคนญี่ปุ่นก็ดูที่สงครามแล้วสงครามอีกสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างแล้วสร้างอีกคนเวียดนามเน่ยดูอยู่ภาใต้การปกครองของพวกฝรั่งเศส น, น, น่ะเขาบังคับเขาข่มขี่ทํานู่นทํานี้เท่านั้นเทน่านี้พอเวลเาก็ได้อิสระภาพมาเนี่ยเขาต่อสู้เลือดเนื้อมึงก็ ไม่เฉยชาเนี่ยมันไม่เฉยชาพเราอยู่สุขสบายเลยเฉยชาสุขสบายก็เอาตามใจเอาแต่ตามใจตัวเองเห็นแก่ความสุขสบายเห็นแก่เหนื่อยยากลำบากงอมืองอตีนไม่ทันเขาแล้วคอยดูอาเซียนทะลักเข้ามาคอยดู คนของเขาเนี่ยก็ตือ่อเรอร่อนอทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนคนของเราเนี่ยไปทำสีห้าชั่วโมงเนี่ยก็บนตายแล้วมากแล้วพอแล้วทันเขาแล้วสักหน่อยก็จะแย่งงานดีๆไปหมดแย่งบ้านดีๆไปหมดแย่งที่ดีๆไปหมดแย่งตำแหน่งดีๆไปหมด ขึ้นชื่อวันแนวหน้าเป็นคนชั้นนำเป็นคนชั้นแถวหน้าเขาเอาไปหมดเราเป็นคนแถวหลังเขาแล้วใช่ีหเป็นบอยเขาอ่ะเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกยอกเขาคงคนนั่งหน้าร้านใหญ่ๆหรูร้านอา้าวกลายเป็นเขาเพราะเรามันเฉื่อยชาไม่ทันเขา ไม่ระวังให้ดีเป็นแ ท, ะ ท, ะทะ้ๆหละก็ได้ด้วยปีหน้าเนี่ยเราไม่ถึงขนาดนั้นดอกเราปรับมาทำหัวใจของเราให้มันดีพวกเราอยู่ในศีลในธรรมมาปรับปรุงหัวใจของเราให้ดีเหตุหาความสุขความคิดให้กับตัวเองแตกต่างไปจากชาวบ้านเขา ล้านเนรเราเนี่ยบุริเจ้าท่าน ห, หาความสุขทางล้านให้เผื่อแผ่ให้สามัคคีให้ปรองดองให้สงบมีความสุขให้ภาวนารักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมขพฉะนันมันเพียนเอาตัวเองกำหนดจดจ่ออยู่นี่แหละไม่งั้นไม่ทันเขาแหละ เฉยชามาอย่างนั้นแล้วโยไหมก็เฉยชาไหมอย่างนี้จากนั้นแล้วก็ด้อยคุณภาพาเป็นสินค้าสินค้าด้อยคุณภาพเลยโอ้แย่แห ล, ละราคาเนี่ยขายทอดตลาดลําบากนะคําพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นคำพูดเปรียบเทียบแต่เรามันใจคนพัฒนา พนได้มันไม่ใช่ใจไม้ใจคนใจมนุษย์ขอให้เราน้อมนำเอาธรรมะของครูบาอาจารย์ของผู้ดีเจ้ามาถือมาปฏิบัติเป็นทางให้ได้รับความสุขความเจริญโดยแท้วันนี้พอสมควรแค่นี้